เราคนเรามาประชุมเนี่ยในชุมทางในทางนอกแล้วเข้าถึงวัดแล้วอากันวัดดูจิตของเรามันอยู่ในวัดอยู่น อ, อกวัดวัดเพื่อเหตุใด น, นี่ละ่ะเราอาศัยพุทธศาสนา สาดชนานี้เป็นเครื่องแก่ทุกและเป็นเครื่องดับทุกไม่ซื่อนากรอาการใดเครื่อเนี่ยอันนี้พระพุทธเจา้าทันบัญญัติฉาด ช, ชนาะในพุทธบริษัททั้งสี่นี่แหละทันไม่ได้มัญญัติทื่อื่นบริศัททั้งสีคืออะไร ภิกษุภิกษุนีแต่เวลานี้ภิกษุนีไม่มีมีเต่ภิกษุสามมณ น, นบาสกบาสิกาสี่เหล่านีล้ล่ะวั น, นบรรยัพพุทธศาสชนะศาสชนะจะเจริญได้กา่สาเหล่านี้ศาสชนะจะเสื่อมการใสนี้มันจะเสื่อมพอยใด เราไม่ประพฤติเราไม่ปฏิบัติในคุณพระพุทธเจา้าเราก็ไม่มีความครอบในคุณพระธรรมก็ไม่มีความครอบในคุณพระเยงรงก็ไม่มีความครอบในทานก็ไม่มีคุณครอบในศีลก็ไม่มีคุณครไม่มีความครอบในภาวนาก็ไม่มีความครอบในปฏิสันฐานการตอนรับ ่ึงกันนะกันก็ไม่มีความครบเมื่อเราไม่ครบในเหตุสถานนี่แหละดินเหยียดให้ศาสชนะเสื่อมถ้าพวกเรายังมีความครอบอยู่ในเหตุสถานนี่แล้วศาสชนะก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปทันมัอยัดศาสชนะในภกาศดอกท่านบอกว่านะพิธรรมทันมณเณรมายัดอื่น เราทั้งหลายว่าบางคนกเมเรียนบัญญัติไอ้เลือจากบัญญัติท่านบัญญัติทำวินัยท่านบอกสัพยัติโยสัพยติโยขันธ์ภาญาติอายาตนาภาญาติหาตุปาญาติอินทรียาภาญาติบุคคลาภาญาตินี่ท่านบัญญัติศาสชนะไว้ตรงนี้อันนี้ นวางไว้นี่บรญญัตนะิศาสนาเนี่ทากันให้เพิ่งเ พ, พิ่งใจขันทาปยาติคือท่านบัญญัติในเบียนจะขันวานกติบายไปแล้วอืมคือบัญญัติในลูกบัญญัติในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ เนี่ยเราก็น้อมโตที่สังลูกอยู่ที่ไหนเราคือนั่งอยู่นี่แหละเรารูปปะขันเรื่องขันท่าปะยาตรนี่บัญญัติตรงเนี้เพื่อเหตุใจให้รู้จักสิ่งเหล่านี้เป็นอยู่ยางไงมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันดีหรือมันชั่วบ่มันเกิดเกินจากนี้เอ๋ใว่า ดูประคันเวทนาขันลาความสุขทุกข์ทุกข้าเวทนาสุข้าเวทนาเบข้าเวทนาเราก็ะดังดวงเตตรงนี้ท่านมายับสัญญาขันความสําคัญมันหมายความจํำนนจํานี้นี่ท่นบัญญัติไว้ตรงนี้ สังขารละครความปรุงความแต่งดูเิเวลานี้เราปรุงเป็นกุศลหรืออกุศลให้พึงรู้พึงเห็นไม่ใช่ยอดฝ้าอากาศปรุงเป็นกุศลอกุศลเนี่ยกุศลเราจะรู้ได้ยังไงเล่ารวมมาสันส้นๆแล้วคือใจเราดีมีความสุขความสบาย เย็นอกเดียนใจนี่เลยแบบกุศลธรรมนำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันเลยมั่งหน้าฮะกุศลธรรมติดไม่ดีทุกข์ยากวุ่นวายเดือดร้อนคำนี้นำสักทั้งหลายตกทุกข์ได้ยากในสมัยในปัจจุบันเลยม้่งหน้านเป็นอย่างนี้ วิญญาณขันธะ์เน้าวิญญาณนี้เป็นผู้รู้และจะปปฏิสนธิในสิ่งที่เราได้ก่อวา่า ไ, ได้ปรุงแต่งไว้กรรมเหล่านี้ละ่ะนําไปตกแต่งไม่มีใครแต่งให้เราทํานำมาเองนี่เรื่องไปนเนแน่ทำมาอยู่ตรงนี้จะเรียนทำจะรู้ทำไม่มาดูตรงนี้มาดูรูปดูเวทนาดูสัญญา ดูสังขารดูวิญญาณนี้ให้พิจรารณาโูภรรยาเพ่งเรือ่อยใดเนี่ยธนทูตธ น, นังว่ามันหลงลูกหลงลูกลูกอนนี้มันมีอะไรยังพากันไปหลงอยู่หนักหนาพระพุทธเจ้าจะไน่วางไว้ให้พิจรารณาลูกเนี่ย นี่อายตนะปยาธินั่นเป็นบอ่อเกิดหแห่งดีและชั่วอายตนะภายในภายนอกอายตนะภายในจะแก่ตาหูจะมูดเนี่ยดิ้นกายใจของเราภายนอกได้แก่รูปเสียงกินรสพลตภัณ์ธรรมรมนี่รวมเข้ามาแล้วสิ่งนี้ก็อยู่ในรูปนี้เนี่ยเป็นอย่างนั้น ถาตัวประยัติมันจะถาถาดินถาดน้ำถาดร่มถาดไฟมาประชุมกันข้าวเรียกว่าโตตนสั์บุคคลเหล่าเขานี่เมื่อเป็นเช่นนี้เราตา้องมาพิจารณาในรูปนี้ตั้งสติแผงดูรูปนี้ดูเพื่อเหตุใดเพื่อไม่ให้หลง เรื่องไปอย่างแน่เมื่อเราเห็นแล้วไม่หลงลูกมันนี่จังว่ารู้จักนะรู้จักโมหัวใจตัวเรามันจึงรักษาได้แต่เวลานี้เราไม่รู้จักนะมรู้จักโมนะโมคือความนอมนึกนะต้องเป็นนัน่นนะความนอม้อมเราน้อมอะไรเป็นนั้นเธอดินและน้ํา เมื่ออธิบายเรื่องหน้าแล้วมันไม่ใช่ตัวไม่ในไม่ใช่สักตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เขาไม่ใช่เราวานนี้ไม่อธิบายไว้อธิบายแต่โ ม, มคืออะไรน้าลั่นห้าแปลไม่ใช่ปิดดังน้าดีดูที่น้าดีอยู่ที่ไหนเล่ามันเป็นคนหรือเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย เลียกว่านนำดีเนี่ยเสียมหางน้ำเสลท์เหล้วนี่เป็นคนเนี่เป็นอะไรอยู่ที่ไหนล่ะบุพโภน้ำเหลืองนี่เป็นคนเนื่ยเป็นอะไรโลหิตังน้ำเลือดเลือดเหล่านี้ล่ะมันเป็นคนเนื่ยเป็นอะไรมันเป็นผู้หญิงหรือมันเป็นผู้ชายมันเป็นคนเนี่เป็นอะไรเสียทัวน้ำเหือล่ะนี่ล่ะอสุน้ำตาเนี่ย ว่าสารน้าเหลียวเขี้ยโลน้าลายสิ่งคานิการน้ำมูก ล, ละสิกานําไขข้อมุดตังน้ำมุดสิ่งเหล่านี้เป็นคนหรือเป็นอะไรเป็นของเอาหรือของทิ้ง น, นี่ละ่ะจังจึงนาวนาแปลไมใ่ใสคนเป็นของทิ้งทั้งหมดหรือใครแก็บไว้สิ่งเหล่านี้เนี่ยอยู่ที่ไหนเล่านี่ละ่ะพากันพิ้งเจดา น, า, นานี่ละ่ะ นันจึงจะละซึ่งการามมาลอมได้รูปหลอมได้หลำเห็นอย่างนี้แล้วใหรือให้พากันแข่งเล่นโดสิ่งเหล่านี้ให้มันโล่มันเห็นไม่ต้องสงสัยจึงเหล่าเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เอื่นอยู่ที่ตัวของเราเรามาเถอนนี่หละเป็นตัวเป็นตน นี่เมื่ออธิบายฟังอย่างนี้แล้วเอาเขานั่งเท่นดูเอาเข้าที่นั่งเท่นดูทามันลุมเห็นเอออธิบายฟังแล้วแต่ท่านตะกรอนเอ้าเข้าที่นั่งเนอท่านเทพมนมากนะซ้อมเด็จท่านกับเทอยู่วันนังรับเรื่องหน่งรุ่มตมมาเลยเป็นคนป่าเทศไม่ไดีเออไม่ได้เรียนมากลงมือทํา ท่าไม่ทำแล้วก็มาเห็นเอา้านั่งสบายสบายนี่ลักให้รู้จักสั้นสาบชนะแกนสาบชนะท่านมันหยักไว้ตรงนี้ท่นไม่ได้มาหยักเฉื่ออ้อเมื่อเป็นเช่นนี้เราท่านทั้งหลายที่ได้มานี่น่ะ ว, วันนี้เธอสมเด็จท่านเธนเ อ, อว่า ประเทศชาติของเราเสนอแผ่ปรารถนาบุญศรีมหาบุพิตและพวกเราทั้งหลายต้องการประเทศของเราอยู่เย็ยนเป็นสุขและต้องการประเทศของเรายัางยืนถาวรและต้องการประเทศของเราความสุขความเจริญในปัจจุบันในเบื้องหน้านี่เราต้องแ่งโดเต้ประเทศชาติ เกิดจากตัวของพวกเหล่านี้ศาสชนะจะเสื่อมเป็นยังไงศาสตร์ชนะจะเิญไปยังไงศาสชนะจ ะ, จะเจริญได้คือเรามาทํากันอย่างนี้ละ่ะเข้าถึงคุณพระพุทธเจ้าเข้าถึงคุณประธรรมเข้าถึงคุณประสองเข้าถึงคุณพระพุทธเจ้าคือเข้าถึงพุทธะคือความโล่นี่ละ่ะเขาวางกายสบายแล้ว เราละเลิกถึงความรู้ของเราถ้าเราไม่รู้จักที่โยพุทธะคือความรู้มันรู้ตรงไหนเลาในเบื้องต้นให้นึกถึงคําบริกรรมเสก่อนผู้ที่เคยแล้วแดีผู้ยังไม่ได้เค ย, ยก็ดีให้เราเลือกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระธรรมอยู่ในใจประิยะส่์สาวกอยู่ในใจเชื่อมัน่นอย่างนั้นแล้วจะให้นละลิกคําบริกรรมภาวนาว่า พุทโธคัมโมสังโฆพุทโธคัมโมสังโฆสามคนแล้วรวมเอาแต่พุทโธพุทโธคำเดียวลับตางับปากให้ลเลือกก็นในใจเลื้นก็ไม่ ก, กระดกกระดิกให้เลือกอยู่ในใจ พุโทโธความรู้สึกอยู่ตรงไหนแล้วตั้งสติไว้ตรงนั้นและตาแล้วก็เพ่งดูที่ความรู้สึกนั้นหูก็ลงไปฟังที่รู้สึกอยู่นั้นนี่ละ่ะเรายรู้จักว่าศาสตรชนะมันเสื่อมศาสตรชนะมันเจริญศาสตรชนะมันเสื่อมเป็นยังไง คือจิตของเราไม่ได้เจริญพิธิบาตและไม่เจริญในสินสมาธิปัญญาเป็นหลักพุทธศาสตร์นะเนี่ยเรื่องไปอย่างนี้คือในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมมรรสิติบาตมาแล้วสิ น, นี่เป็นหลักพุทธศาสตร์นะเราดูที่สิญคืออะไรนี่ความงาม ในเบื้องต้นงามทำกลางงามที่สุดในบริเวณวัดที่กัิยานังมัชเชกัญยานังปริโยสานักกัญยานังกัญญ า, าคือคมงามงามเบื้องต้นคืออะไรเล่าเป็นผู้มีศีลอะไรเป็นศีลเล่าท่านบอกว่าสังรวมกายวาจาใจใ้เรียบร้อยดูติดกายเ่าเรียบร้อย วาจาเราเรียบร้อยใจเราเรียบร้อยไม่ได้ทำโทษน้อยใหญ่ทางกายทางใจแล้วนี่จึงได้เป็นผู้มีศีลศีลแปลวความปกติกายปกติใจเดี๋ยวนี้ใจเราปกติอยังไม่ปกติมันเป็นยังไงมันก็ไม่พิกกลัิการมันไม่ทะเย อ, อทยานเนี่ย เรื่องไปอย่างนี้กายของเราปกติมันก็ไม่ปิกน์ปีการในพิจารณาดูเตะทำจิตให้เป็นปกติศีลําเหมือนก่อนหินเหมือนกับหินลมพัดมากระทุทิพยั้งสีมันก็มีหวันไหวอันนี้ก็เราก็ทําใจแล้วมันก่อนหินใครจะว่ายังไงก็ตาม ดีชั่วไม่ไม่เป็นเขาเหมือนเขาว่านะให้ดูเต้เมื่อเราไม่ดีแล้วเขาจะว่าดีนะมันก็ไม่ดีคือเขาว่าเมื่อเราดีแล้วเขาว่าไม่ดีให้เป็นเหมือนเขาว่าเราก็ดูทีน่นี่ให้เห็นเนีนี่ละเดี๋ยเราเป็นศีลเราก็รู้จักเพื่ออธิบายมาแล้วนั่น นี่พากันในพึงรู้คึงเข้าใจนี่อันนี้สมาธิงานทํากลางคือสมาธิแล้วก็ตั้งจิตตั้งมัน่นอันนี้จิตเราตั้งหรือไม่ตั้งมันเองเองเอ็นไปทางไหนมันค้องตรงไหนมันคาตรงไหนยังว่าสมาธิเราได้จะว่าสมาธิ คอคือจิตตั้ง ม, มั่นเราตั้งดูที่มันตั้งหรือไม่ตั้งหามันตั้งมันเป็นยังไงแล่วมันก็ไม่เอ็นเองไปหาความรักความชังไม่หลงในรูปในเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ทางไหนต่างๆเรื่องอะไเป็นมันตั้งสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วก็ดับนี่มันจะเข้าถึงสมาธิจิตตั้ง ม, มั่นแล้ว เมื่อจิตสงบตั้งมั่นแล้วมันก็ใสนี่แหละสมาถกรรมาฐานฮารุจับสมาถะคือทำจิตให้สงบภายในเมื่อจิตเราสงบภายในแล้วภูปมามัเหมือนกันน้ำมาสงบน้ําสงบแล้วมันก็ใสใสแล้วก็มองเห็นเหตุมองเห็นผลมองเห็นบุญกุศล มองเห็นสุขมองเห็นทุกข์มองเห็นดีมองเห็นชั่วอมันสงบแล้ว น, นี่จิตของเราสงบแล้วมันจะออกข้างซ้ายหรือออกข้างขวาข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างแล้วก็รู้อ่เอาเดี๋มันตั้งนี่แข่งเล่นมีสติอยู่ตรงนี้อมีละให้เพิ่งรู้เพิงเข้าใจ ต, ต่อไปการที่ทำสมาธิอืม อันนี้เมื่อเจิตของเราเห็นแล้วอย่างนั้นนี่ละเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังขารทั้งหลายน่หละปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารมันจะได้เกิดปัญญารอบรู้ในกองสังขารใครผู้ปรุงใครผู้แต่งเล่าไม่ใช่ว่า อ, อ, อันอื่นปรุงแต่ง กายสังขารจิตสังขารเนี่ยปรุงขึ้นจา ก, กจิตของเรานี่ละมันจะได้เกิดเป็นวิปัชนาบาทของสมาธาิเดี๋ยวนี้คนดังหลายแล้วเข้าวิปัชนาเข้าวิปัชนาได้แต่ว่าเข้าวิปัชนาไม่รู้จากวิวปัชนามันเป็นยังไงนี่เมื่อสมาดเป็นบาทของสมาธาิของวิปัชนา เพมเมื่อจิตละสงบแล้วมาเห็นที่เกิดแห่งสังขารแล้วก็เห็นที่ดับแห่งสังขารเนี่ยเป็นอย่างนี้ให้พากันตงน้งรู้เดี๋ยวนี้เราไม่รู้จักว่ามันเกิดมาจากไหนไม่รู้จักที่เกิดก็แล้วไม่จักที่ดับแน่มันก็จะเป็นวิปัชนาได้ ย, ย่างไงเล่าอคือวิปัชนาเมืเ่อจิตละสงบแล้วก็เห็นที่เกิด แห่งสังขารโอเกิดจากจิตของเราแล้วก็ดับทิศทิศของเราก็จะดับได้เพราะเหตุใดเราเห็นอธินวาวะโทษเห็นโทษแห่งสังขารเห็นภัยแห่งสังขารทั้งหลายเห็นทุกแห่งสังขารทั้งหลายเนี่ยมันจะดับได้ตรงนี้เมื่อทุกเห็นโทษแล้วมันก็ตัดจึงเจะเป็นวิปัชนาะ ความรู้แจ้งเห็นจริงสัจธรรมเนี่ยสัจของจริงคืออะไรเล่าเมื่อสังขารความปรุงความแต่งขึ้นแล้วมันก็เกิดนั่นมันหลงเมื่อหลงแล้วท่านยังบอกอวิชาปัจยาสังขลาสังขลาปัจยา ว, วิญญาณังวิญญาณปัจยาอ่ามันเป็นอย่างนี้เเมื่อวิชาความหลงแล้วเป็นปิจใจเกิดสังขาร สังขารไม่แล้วก็ไปไปัจเกิดปิญญาเนี่ยเป็นอย่างนี้วิญญาณไม่แล้วก็ไปไปใจเกิดนามรูปลูกไม่แล้วก็ไปไปใจเกิดเจตยนะัญตนาตนามีแล้วก็ไปไปใจเกิดพัฒนะความากระทบถูกต้องเมื่อพัฒนามีแล้วก็เป็นไปใจเกิดเวทนาเวทนามีแล้วก็ไปไปใจเกิดตัณหาความทเยอทยาน ตันหาม่แล้วก็เป็นไปใจเกิดอุปท า, า, า, า, านการยึดถือเนี่ยไอพิจรณาเนี่ยอุปทานการยึดถือมีแล้วก็เป็นไปใจเกิดพบคือเข้าไปตั้งพบไมีแล้วก็เป็นไปใจเกิดชาติชาติความเกิดชาติมีแล้วก็เป็นไปใจเกิดพยาธิแด้เป็นชลาอาชฉรา ลาไม่แล้วก็ไปไปใจเกิดพยาธิพยาธิไมีแล้วก็ไปไปใจเกิดมรณะคือความตายมรณะมีแล้วก็ไปไปใจเกิดทุกข์นี่พระพุทธเจ้าจะได้พิจิรตรณาในปฏิสัมุบาร์เนี่ยเป็นเครื่องอของอ้อมโยนี่ท่านก็ได้ค้นทุกข์นี้เช่นั้นท่านเนี่ยก็ทุกข์ควรกําหนดทันไม่ละทุกข์ ทุกควรกำหนดควรพิจารณามันไปนละสมุทยัยนี่เป็นอย่างนี้เราก็รู้จักเรื่องสมุทยชักทั้งหลายจมน้ำมหาสมุทรเนเป็นเยือบปลาหมดเรื่องไปอย่างนั้นปลาโปปลาปังนี่จมน้ำมหาสมุทรคือผลลงความสมุทรนี่ทานพ้อนวล้วทุกนี้ มันมาจากไหนนี่ท่านทวนกระแสเนี่ยท่านที่แรกท่านพิจารณาวัทุข์มันมาจากไหนอะไรเป็นเหตุปัจจัยมามาจากความตายนี่อธิบายทืนก่อนท่านพิจรารณาอันนี้ความตายมาจากไหนเป็นเหตุปัจจัยมาอ่ามาจากความเจ็บไข้ได้ไปญาติอภาษโลคา สิ่งเหล่านี้มันมาจากไหนครับท่นานพญานาทั้งหลายทั้นมาจากฉลาความเท่าแก่ความสำรุดชุดชมอันนี้ความชำุดชุดชมมาจากไหนเล่ามาจากความเกิดชาติคือความเกิดเกิดนี้มาจากไหนมันมาจากพรบพรบคือเขาไปตั้งพอบนั้นมันมาจากไหนเล่าทํานพิจรารณา มาจากกุปทานการยึดถือเอาเยยึดถือที่ไหนแล้วก็ไปตั้งพบที่นั่นนะฮะดูที่พบของเราเน่อๆใหญ่ๆนี่พบมาจากไหนล่ะมาจากกุปทานการยึดถือกุปทานมาจากไหนเล่ามาจากปัญหาความทะยอทยานตัญหาเจะเจือทยานนั้นมาจากไหนมาจากเวทนา มันมีเวทนาสุข์าเวทนาทุกข์าเวทนานี้ทุกข์าเวทนาโรนี้มาจากไหนเล่ามาจากพัทธะความกระทบถูกต้องนี่ความพัทธะนี่พัทธะมาจากไหนเล่ามาจากอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจโรนี้อายตนะนั้นมาจากไหนเล่ามาจากลูกนามรู นี่รูปนั้นมาจากไหนเป็นเพศปัจจัยมามาจากวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณวิญญาณนั้นมาจากไหนเล่ามาจากสังขารสังขารปําปรุงสอแตง่งสังขารนั้นมาจากไหนเล่ามาจากอวิชชาท่านพ้นมาจบตรงนี้ ยังเ อ, อวิชชาปัจจยาสังขละสังขละปัจจญานี่มาจากอวิชชาเนี่เราต้องเรียนไปถึงแต่อวิชชาไถ่ก็ไปหลงแต่อวิชชาเราไม่ได้โอปญัญญโกะไครเป็นผู้รู้ว่าอวิชชาและไม่ได้เลิกถึงมันมีผู้รู้อยู่จึเได้ว่าอวิชชา ทำไม่มปนแจ้งจริงในตัวงเรานี่ละเป็นข้อปฏิบัติพระสะนั่นให้พากันในเพิ่งรู้คุณเข้าใจนี่อย่าหลงเดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้เราหลงอะไรนี่ละให้รู้จักพุทธศานะสานาศาสนาจะเจริญขึ้นการัยเราประพฤติเราปฏิบัติเรากระทำอย่างนี้ มันก็จเจริญได้เมื่อเราไม่ประพฤติปฏิบัติชาติชนะเสื่อมแล้วแปลงั้นเสื่อมเสียไม่ได้เสื่อมไปไหนเสื่อมจากตัวบุคคลเพื่อคนไม่ประพฤติคนไม่กระทำเดี๋ยวนี้บางคนว่าพระอร ห, หันต์อรหันต์ก็ไม่มีพระโสดาสกิทาคานาคาก็ไม่มีจะมีได้อย่างไง ของคนไม่กระทำของคนไม่ได้ปฏิบัติของคนไม่ได้ขัดได้เก่าและของเราไม่ได้มาพึ่เราไม่ได้ดู เ, เรื่องแปลงแ น, เ, นเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วโอปนอัยโกดูนี่เราฆ่าโซดามันอยู่ที่ไหนเราท่านก็บอกในตำลาท่านบอกไว้ แค่สกายทีวิจีกิสนะาศิลปทัศน์น่ะเท่านี้รู้อันนี้เมื่อเรารู้อันนี้แล้วคนนั้นนะเขามักในเบืองตอน้นจะได้เป็นพระโสดาห์นะสกายทีเดียวนี้เรามาถือตัวตนเมื่อเราพิจารณาเกิอธิบายมาในเบืองตอนน้นนะ่ะมันไม่เป็นตัวเป็นตนแล้วมันกะละทิพิละมานะ อาหารการมามังถือว่าเป็นตัวเป็นตอนอไม่ถือคิตมันกระลามันก็ว่างวิธีกิจสาสงสัยว่าจะดีอย่างนอนอย่างนี้เราก็เห็นแล้วขี่หมูกน้ําลายของเร า, เ, าเลือดของเราคือที่บายมาแล้ว น, นั่นจะสงสัยอะไรเรามันดีหรือมันชั่วล่ะนะคือทีบายมาแล้วห ดูที่เพ่งดูที่โลหิตังแปลน้ำเลิศอา้าวเพ่งดูทีกรสินแล้วเข้ากระสินกรสินแปลความเพ่งสีแดงแพ่งดูที่เลิดอยู่ที่ไหนอ่ะสีแดงนีง่คือเลอิศนะดูที่เลิดของคนอา้าวของตอนและบุคคลอื่นมันเป็นยังไงแพ่งดูที่มันจะละได้หราอไม่ละได้ เมื่อเห็นมันเป็นเลือดแล้วงั้นแล้วใครจะเอาล่ะใครต้องการล่ะอ้าวดูเี่เลือดเราแยแห่งกาสินเด่นเลวอสุภะให้เห็นกาสินกาสินแต่ความแท้งแท่งนะมันเห็นเห็นแล้วจิตของเรามันจะไม่มีความสงสัยมันจะถอนสกายที่สิได้ มันจะไม่จะไม่เป็นศิลป์ความลุกคำว่าศีลสมาธิปัญญา อ, อ, อยู่ที่อื่นที่ไกลประจําใจของเราอยู่สุขทุกทั้งหลายนี่พุทธศาสนาะให้พากันรู้จักเนีละเมื่อเราเห็นนี้แล้วเราก็จิตของเราก็ย่งถึงศีลถึงสมาธิ มีปัญญาความรู้รออในกองสังขารทั้งหลายนั้นปรุงแต่งไม่ไดนะ้ให้เพิ่งรู้เพิ่งเห็นนี้ละศาสชนะจะจรเิญได้เดี๋ยวนี้ศาสชนะจะเสื่อมคือพิษุและสามมเณรบวชเข้ามาแล้วไม่ประพฤติมาปฏิบัตนะิสินของตอนสมาธิของตอนไม่รักษานะ เรื่องเป็นอย่างนี้นี่ก็เล่าเรียนไปก็เรียนาะปล่กาไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติและไม่เพกหัดและไม่มีความสังรวมระวังปลอยไปประพฤติไปนาน า, นาต่างๆเดียเ๋ยวนี้เดือนกระบวนก็มีพระเนียนทำไปเรื่องอยกินรับ อาหารในวิการก็มีจับเงินจับทองก็มีต่อของสื่อขายก็มีนพูดเกี่ยวสีกาก็มีเที่ยวเล่นตามถนนหันทางก็มีนี่พวกนี้ที่มาย่ายีประศาชนาทำสาทชนยเชื่อมไม่มีความสังรวมระวังศีลของตอนไม่ประพฤตปฏิบัติศีลของตอน อุบาสกุบาสิกาก็ไม่มีความครอบในทานในศีลนในภาวนาของตอนนี่เที่ยมันเชื่อยหาปีรุสามเณรบุกมรกมาแล้วก็ เ, เล่าเรียนศึกษาสังรวมศึกษาวินยยัยข้งตนเรียบรอย้อยรู้จักแล้วศีลของเราสองรยเจ็ดเนียนกับศีลสิบผ่นอนหมดเวียนเราสังรวมระวังดูนี่ศาสชนะมันก็เจริญลุ่งเลือง เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นเ็กเห็นในสาบชนะในเสื่อมเสียคนทั้งหลายอ่ดูมินว่าสาบชนะดูผูกสาบชนเะเพราะเราไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญามีแต่ศีสษะล้วนกับผาเหลืองอว่าเป็นพระเท่านั้นอขอวัดขอปฏิบัติเป็นยังไงดูที่ท่านห้ามอะไร เราทั้งหลายเคยได้บวชแล้วได้ศึกษามาแล้วการท่านพุทธเจ้าสอนไว้ทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งสองร้อยี่สิบเจ็ดแงดเว้นท่านสอนไหว้นุ่มผมท่านก็สอนนั่งนอนท่านก็สอนเดินยืนท่านก็สอนไทยจะระปัชวะม้วนเขละท่านก็สอน พระพุทธเจ้าจนคำเข้าทก็สอนเอาเข้าอเอาปากทก็สอนนี่ความละเอียดของท่านต้อการความสวยความงามความสงวมระวังนี่เป็นอย่างนี้ น, นิบาศวุบาศิกาก็ดีกสอนถึงประไตยสนาคมคือเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นชณะที่พึ่งเที่รึกทิกาท่วาย ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นชนะไดา้แต่วันนักที่เมสรานังอันยังที่พึ่งของข้าไปเจ้าอื่นไม่มีนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วเหตุนั้นในพึงรู้พึงเข้าใจต่อไปผู้ปฏิบัติศ า, า, าสนาบาตงอุบาสิกาทั้งหลายทันไว้หามือหาวันทําการทํางานต้องหาวันไม่ใช่ว่าวันนั้นไม่ดีวันนี้ไม่ดี วันนั้นไม่ได้ทำอะไรแค่นคนวันดีทำไมคนจังจังจังตายจึงตายล่ะวันไม่ดีทำไมคนยังเกิดในเจ็ดวันนี้สิ จ, จันละค า, ารพุทธปหัตสุขเสาเจ็ดวันนี้ทำไมล่ละไม่มีเท่านี้เคอการนี่ว่าหาวันวันอย่างนี้สมมติว่าลราจะทำการทำงานขึ้นบ้านให ม, ม่ก็ทำให้รู้ไว คือวันนั้นมันพร้อมกันแล้วเรียบร้อยแล้วทำได้ขึ้นได้ถ้ายังไม่พร้อมแล้วมันขัดขอ้องเรียกว่าวันไม่ดีปัญหาวันอย่างนี้ดอกให้คนใจตีบ่ายย่อยฟั ง, ยยฟงนี่ละให้ราเว้นเหล่านี้และดูว่าดวงดีดวงไม่ดีผูกดวงผูกดาวคนโกหกหลอกลวงกัน ให้วุ่นวายเดืร้อนในพุทธศาสนาะเนี่ยดวงดีก็ดูที่ไม่ใช่มาจะฝ่าอากาศให้ดูดวงนี้แล้วเดี๋ยวนี้ดวงนี้เป็นไงดวงดีร ว, วมมาสั้นๆ น, นะคือใจเราดีมีความสุขความสบายเมื่อใจเราสุขใจเราสบายแล้วทําอะไรมันก็สบายการงานก็สบายเนี่ยนี่ละประเทศชาติมันก็สบาย นี่แหละดวงดีดวงไม่ดีคือใจเราไม่ดีใจเราไม่ทุกข์ยากรวนวายเดอดร้อนเนี่ยดวงไม่ดีทำอะไรก็ไม่ดีหาอะไรก็ไม่ดีเนี่ยเด็กดวงไม่ดีดูตรงนี้จใจใครดูให้ดูที่ทุกคนทั้งเ อ, อมานั่งอยู่นี่ทั้งพระทั้งเนนทั้งออบาสกบาสิกาทั้งหลายดวงดีดวงนี้แอบพิจนาตรงนี้อย่าไปพิจนาเอื่นอืม แล้วอย่าเข้าลีดพวกเดลถีนิคอนคอนนอกสาปชนะปกติจะเตียนกิเลตังนั้นหาไปเถืองนั่นแล้วขาดจากพุทธศาปชนานี่ล่ะพู้จะปฏิบัติสาปชนาต้องเถืองเนี่ยแล้วบาสกุบาศิกากายลาเวนให้รักษาศินห้าอย่าไป็นขาค อ, อยมวัวเมาแต่รับกันญมพระมาศิน รับพระรับนับพระญาติยอมว่าศิลอยู่กับพระพระว่าศิลอยู่กับพระพุทธเจ้าแอบาบนะอยู่พระพุทธเจ้าไม่เนื้อก็เป็นของของเรา <c oughs> เมื่อเราไม่เนื้อก็เป็นของของเราแล้วเราก็ถอถอยน้อยพระไทยของเราถ้าวศิลเหล่านี้เป็นของของเราแล้วแล้วก็ใจใสจะไปรับกับไข่เราศิล่์เราเราเกิดมาศิลปห้า นี่อธิบายตัวสินห้าได้มาพร้อมตั้งแต่เราเกิดมาขาทั้งสองแขนทั้งสองศีรษะอันหนึ่งนี่เป็นห้าอันนี้ตัวสินห้าแล้วยาวห้านี่เป็นทําโทษห้าโทษห้าคือนีนปานานก็โทษอธินานก็โทษกาเมนัก็โทษมุสานก็โทษ สุรานั้นก็นโทษแน่เป็นโทษทั้งหมดนี่เรายุ่งยากทุกวันนี้ห้าอย่างนี้หัวคนมาฆ่าหัวขโมยหัวคนผู้จักรกาหัวคนมูสาสอกของหลอกลวงหัวคนเหมินเมาน่สุราสาโทคัญชายาพินอน่นี่เป็นโทษนี่หาเราเราเว้นใ น, นี้แล้วต่างปรเลนะสุขสติงยันตีมีความสุข เสเลนโปกัสัมปทามีโปัาสมัตนิรันเพื่อในตากันในเพึ่งเขาใจเราเว้นโทษทั้งหลายห้าอย่างนี้นละเมื่อเรารับหรือไม่รับก็อยู่ไหนก็เป็นศีลอยู่ในรถก็เป็นศีลอยู่ในป่าในดองในบ้านในเมืองตอนนนทางาเราไม่ได้ทำในห้าอย่างนี้แล้วมันก็นเป็นศีลอันนี้คาว่าว่ากับพระมาลับกับพระว่า ไม่ได้รับน้ำผ้าหรือว่าเราไม่ได้ศีล น, นั่นใช่ไม่ได้เราก็รู้แล้วแต่ว่าเราก็ผ้า ก, กับปลานไงปลาตาเวแล้วมันี่ยุงมกัดต๊ปับ๊บหนึ่งวันนะคําก็จะเป็นศีนลละแต่ไม่ผ่าไปให้รู้จักออทิตนาธาเนาเห็นของเขาก็ะขมวยสัน้นนั่นก็ว่าวัาวนนั้นคําก็ไม่เป็นศีลแล้วเราเว้นห้ายางเลยละให้พากระรู้จักนี้อธิบายทั้งนอกทั้งใน เอาน้อมก็ไปเวลานี้สิ่งเหล่านี้มาจากไหนเออให้พากันในรถเวสในร้ดากนี่อา้าตอนนี้ปายพากันเขา้าให้ตั้งจิบโดแห่งโดเดี๋ยวนี้โทษทั้งหลายอยู่ที่ไหนสุกอยู่ที่ไหนทุกอยู่ที่ไหนเออให้พากันในเครื่งนู้พคุณเข้าใจประเทศของเรามันยุ่งยากบันตรงไหนเออ เหมือนก็นเราทำถนนหนทางละ่ะมันขัดข้องตรงไหนแล้วก็แก้ไขอันนี้จิตใจของเราข้องตรงไหนมันคาตรงไหนแก้ไขไม่ใช่จะมานั่งรับตาเจ็บปันอ่นมันเอวเจะเปล่ปาเปล่าเรามานั่งดูของเราเวลานี้เราอยู่ในชั้นใดภูมิใดในพบปันใดนี่ให้รู้จกักจิตของเราเป็นผู้สนหรืออาผู้ให้รู้จกักจิตของเราสงบหรือไม่สงบ จิตเราดีแล้วไม่ดีให้รู้จักนี่แหละตามมาจังกุสลังจิตตังให้รู้จักจิตของเราปมพน์พุทติมันอุปัะจักรตอนนี้เอาตอนนี้ไปอ้งคนได้ยินได้ฟังโอปานายนโกคือพิจิเตศไปมากวันเนี้ต่อไปอา้าวน้อมเข้ามาดูณนเะนี่ยพิจิณาเพ่งดูหวัวใจเราเราค้องอะไรโย จิตของเรามันเป็นยังไงจิตของเรามันดีเป็นยังไงจิตมันดีเป็นอย่างนี้จิตมันสงบดีมีความสุขความสบายเย็ยนอกเย็ยนใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่วุ่นไม่ไวายพุทโธใจเบิกบานสบายนี่ละนำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันเนีเบิองหน้า เรามานี่ก็ต้องการความสุขความสบายต้องการความสุขความเจริญ้าจิตของเราเป็นอย่างนี้แล้วสันทิปทิโกเราก็รู้เองเห็นเองนี่เป็นอย่างเนี้ยธาจิตของเราไม่ดีแล้วเป็นยังไงจิตไม่สงบจิตไม่ดีวุ่นวายเตยเอทยานลื่นลอนจิตไม่ดีแลวทุกข์ยากเดินร้อนวุ่นวาย ุกยากลำบากนักให้นวงในงวกในเงาให้มืดให้มัววุ่นวายนี่นำสัตว์ทั้งหลายตกทุกข์ในยากในปัจจุบันในเบื้องหน้าเมื่อจิตเป็นเช่นนี้แล้วประเทศชาติของเราก้วุ่นวายไม่ใช่อื่นเป็นไม่ใช่อื่นวุ่นวายดวงใจของเรานี่วุ่นวายวัดดูที่จะกว่างขวางอะไรบุตรภรรยาสามีรักกัน มิดามันดาอยากพี่พี่น้องรักกันถ้าจิตไม่ดีแล้วมันเกิดทะเลาะกันนั่งวัดดูทิถ้าจิต ด, ดีแล้วมันไม่ทะเลาะกันดูว่าไงแหงลงดูทีจริงหรือไม่จริงอา้าวแอนดูทีอยากลำ่ำอยากรวยอยากสวยยางคนทำไมมันไม่รวยอยากรวยบางคนทำไมมันไม่รวย ท, ทำไมเงินเดินก็ไม่ขึ้น ทำไมยศมันมันไม่ขึ้นเพราะเหตุใดดูสิมันไม่ขึ้นเพราะจิตเราไม่ดีจิตเราไม่ดีเราไม่ได้สร้างคุณงามความดีไว้ในปัจจุบันในเบื้องหน้าจิตไม่ดีทุกยากลาบากวัตยาแนะอันนี้จิตดอกนี้นําให้เราได้ทุกได้ยากทำอะไรมันไม่ขึ้นอทํามันไม่รวย มันรวยเป็นไงจิตดีมีความสุขความสบายเนี่ยอันนี้นําให้ความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันและเบื้องหน้าเอาตอนนี้ไปจะมาอธิบายและอธิบายอยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีที่สุดสุดสู่พบข้อแล้วกว็รวมล ง, ลงคือกายกับใจเทน่นี้เอาเพ่งดูอธิบายดีซัวทางภายในภายนอกให้รู้แล้วตอนนี้ไปโอปานายโกจริงหรือไม่จริงให้พากันเพ่ง โดูมันคล่องตรงไหนมันพาตรงไหนไม่ดีตรงไหนไห้พากันแท่งดูอยู่ตรงนั้นย่ายส่งไปหน้ามาหลังทางซ้ายทางขวาทางบนทางล่างให้ตั้งสัมภาทํากลางนที่รู้อยู่นั่นนี่ละเนี่มันเป็นยังไงเราค่อยแก้ไขตรงนั้นค่อยสําระตรงนั้นนั่นนี่จะวดเลงดู ไม่ได้ดูอื่นดูจิตของเราดูพบของเราดูที่พึ่งของเราไม่ใช่อื่นดูไกลนี่ให้ดูให้รู้จักที่พึ่งดีแล้วไม่ดีต้องรู้จักตรงนี้จงสันทิติโกผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเองเราไม่รู้คนอื่นจะบอกมันก็ไม่รู้นี่ขอปฏิบัติเป็นอย่างนี้ได้ยินเสียงอะไรก็ตามต่อไป ในสัญญาไว้ว่าสิ่ง น, นั้นไม่มีอันตรายแล้วเราไม่ทำเด็ดร้อน อ, อทําจิตของเราและจะมาอธิบายต่อไปเ อ, อจะสงบต่างคนต่างสงบ อ, อวางในสบายในสบายเราอยากได้ความสุขความสบายจะได้เป็นบุญวาสนาของเราจะได้เป็นนิสัยของเรามันพนทุก เราทั้งหลายอยากพ้นทุกข์ดูเถอะมันพ้นทุกข์ก็คือจิตเราไม่ทุกข์จิตเราไม่ทุกข์มันก็พ้นทุกข์มันไม่ทุกข์พ้นกังวานาคาดูเอาเอ่ามันยังทุกข์อยู่มันก็ไม่พ้นทุกข์นี่แหละเราทําบุญทำบูรสนเลกวติปฏิบูชาผูเปิดเชิดแท้เขาถึงวินยัยเขาถึงพุทธศาสน์ชนะ ถึงสั้นสาบชนาเมื่อทำอย่างนี้ไม่ถึงยังไงแล้วจะ บ, บอกแล้วในเบื้องตอน้นท่านบัญญัติตรงทีนี้ากายกับใจทางนี้อ่าวแพงโดดท่านจึงทำกุศลได้สองสามวันมาในแล้วเป็นยังไงจิตของเราทำมาระยะเดียต่อไปให้พากันรู้จัก ความสงบของประเทศชาติและความสุขความเจริญของพวกเราในปัจจุบันระเบีองหน้าและที่อยู่ของเราในปัจจุบันและเบีองหน้าเนี่ยพากันนั่งดูเมื่อนั่งดูแล้วเป็นยังไงล่ะที่พึ่งของเราที่อยู่ของเราอ่ให้มันรู้จักไว้ อาจิตของเราสงบคื่ที่บายให้ฟังแล้วเรื่อเราสงบมีความสุขความสบายเย็ยนหอบเย็นใจไม่ทุกข์ไม่ร้อ น, มนไม่ไวุ่นไม่หวายพุทธโตนี่เป็นสรณะที่พึ่งเราพุทธโตเป็นผู้เบิกบานสวามสวายแล้วมีนําความสุขความเจริญให้ในประเทศชาต น, นี่เรื่องเป็นแน่ ท้องเด็ดท่านก็ต้องการประเทศชาติและตนของตอนและมนุษย์ทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเั่านั้นและต้องมัน ต, ต้องการความสุขและต้องการความเจริญและต้องการในความผลพุกชักชวนพวกเราให้ได้เป็นบุญเป็นกุศลบุญนั่นคือความสุขบุญคือความสบาย ที่เราท่านทั้งหลายมานี่ก็ต้องการความสุขและความสบายเมตใช่อินไปนั่งดูแล้มันสุขไม้มันสบายไหมนี่ละให้พึงรู้เพิ่เข้าใจเมื่อจิตของเรามีความสุขความสบายแล้วการงานของเราทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สบายไปหมดตลอดประเทศชาติ เทวดาเทวดาพระอินทร์พระรมดินฟ้าอากาศก็ต้องรักษานุษทั้งหลายนพะนี่คือธรรทั้งหลายทันาบอกไปแล้วทําโมเวทิธรรมาจาริสักยอาศัยถึกจึงทำทำอาศัยจึงสักย์ถ้าสัตติบัติธรรมดีท่างก็นำความดีให้แก่พวกเรามิใส่อื่นไกล ใครจะแต่งอะไรเป็นเมื่อตัวของพวกเหล่านี้ตาหูจมูกเหล่านี้ใครแต่งได้แต่งไม่ได้แล้วแต่พระธรรมเป็นแต่งให้เนี่ยแต่งงั้นถ้าเราปฏิบัตดิดีประพฤตดิดีเราทำดีแล้วก็นำคุณงามความดีให้นำความสุดความเจริญให้มันเป็นอย่างนี้ถ้าเราปฏิบัติไม่ดีทำไม่ดี แล้วก็นำไม่ได้ในปัจจุบันในเบื้งหน้านี่หลักบุญวัตรสมาี่เราได้ทําอย่างนี้เรียกวัติปฏิบูชาบูชาอย่างเลิศย่างแประสะแเสถ่ากับพุทธเจ้าทําทําบุญกุศลให้ทานมานับสะสมไขท่านก็ไม่ได้สําเร็จมากผลต่อเมื่อท่านนาั่งสมาธิเหมือนกับเรานั่งนี่แหละท่านจะได้สําเร็จมากผลเพราะฉะนั้นฉันยังสอนไว้ให้พากันมันนั่งทุกวัน ให้ขาวาดทุกวันฟื้นทุกวันอธิบายฟังแล้วมันขัดข้องตรงไหนมันไม่ดีตรงไหนเราต้องแก้ไขตรงนั้นมีหลายปากันในพื้นรูปงเข้าใจว่าใจเราไม่โยมังคนใจไม่โยมันไปอยู่ไหนยังว่าไม่อยู่แค่ที่จริงใจเราอยู่มาตั้งแต่เกิดมาคือว่าใจไม่โยนั่นความหลงจากอาวิชชา มันหลงนี่เราต้องนั่งดูความไม่โยนี่แหละมันไปกรอบครบไหนแล้วพเวพวานสัมวันติมันเที่ยวต่อครบน้อยน้อยใหญ่ๆอยู่นั่นเราต้องนั่งโดนครบนั้นเป็นกุศลเน อ, อะกุศลเราจะรู้ได้อย่างไงกุศลอธิบายมาแล้วกนะุศลก็คือความสุขความสบายออกสบายใจ นี่ะเราไไปได้พบใด้ฉาดใดก็ตามในปัจจุบันก็ตามเราทำมาทุกวันทำการงานทุกชิ้นทุกอย่างอันใอะไรก็ตามเราต้องการความสุขความสบายเ<ม>นี่ยงานนี่ละพราะถิ่นอยู่เจะได้เป็นนิสัยเป็นวัฒนรารรบารมีของเราเราต้างตั้งสัจจาธิฐานทำเห็นจริงแก่งประจักษ์เชื่อถ้วของเราอันนี้ พบที่ไม่ดีในเราไม่ดีทุกข์ยากวุ่นวายเดร้อนนี่นำไปอยู่ทุกขติในปัจจุบันและเบื้องหน้าเมื่อเป็นเช่นนี้พวกท่านทั้งหลายได้สดับแล้วในโอวาส า, ส า, สานีอันเป็นธรรมะคำ ส, สอนนี้ที่นำมาเตือนใจโดยยนยอนนี่พอเป็นข้อปฏิบัติสดับาสติปัญญาบา ร, รมีทั้งหลาย เมื่อทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วโยนิโสมานสิการพากันกับนดจดไปแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติพฤติมตตนต น, ตนเป็นไ ป, นปนในธรรมคำสอนสรุปโวข้อใจความแล้วคือกายตัใจนี้เป็นที่ตั้งงพระพุทธศาสนาะเป็นที่ตั้งแห่งมรรคผลเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วอาพุทธสาหะพยายามกระทำใเกิดใหมีเป็นขึ้นในตัวของเรา นี่ละในผลที่สุดคื อ, อประมาตธรรมคือความมีประมาทเมื่อเราท่านทั้งหลายไม่มีความประมาทแล้วแต่นี่ต่อไปพวกท่านทังหลายจะประสบเว้นแต่วความสุขความเจริญนั่งจะดังในแสดงมาเอวังความมีนว้วย์อภิวาทนาเสวิตามิจังมุธาปิจารุธรรมาวัชันติอายุปโนสุขังปะลัง มาไอ้ไว้อืมจใจไ ว, ว้ละถูกไหฟังแล้วเอออืมคนนี่เปียงไงเป็นยังไงล่ะ <c oughs> เออดีแล้วไม่ดีเราดูตรงนี้ <c oughs> บางคอนตะ้างหน้าแล้วจะไปอยู่ที่ไหนก็ <c oughs> ดูอเอาที่ นสอนแล้วอันนี้มันดีเนี่ยข้างหน้ามันก็ดีนี่ไม่ดีแล้วข้างหน้ามันก็ไม่ดีไปจากนี้อันนี้เป็นผู้เป็นอันนี้เป็นภูไปเ่ยอยู่ได้ก็ เ, เหตุใดนี่โดยกุศลอกกุศลตอเนี้นี่ จ, จําไว้ต่อไป พึงรู้คนเห็นต่อไปเออประเทศเราบ้านเมืองของเราจะเจริญได้นี่ท่านนี่แหละท่านก็เชื่อว่าอยังไงบ้านเมืองของเรามีความสุขความเจริญบ้านเมืองกับคนนี่แหละเป็นบ้านเป็นเมืองไม่ใช่ฟ้าอากาศเป็นบ้านเป็นเมืองาคนเราก็พฤ่ง ด, ดีทดําดีบ้านเมืองเราก็ดี อาคนประพฤติไม่ดีทำไม่ดีบ้านเมืองเราก็ไม่ดีนี่มันเป็นอย่างนั้นเริ่ ม, มันงานงานต้องหมดคนทำถนนหนทางก้คนทำคนทำดีถนนมันก็ดีคนทำไม่ดีถนนก็ไม่ดีรถยนต์คนไก่ต็คนทำคนทำดีรถยนต์ก็ดี คนทำไม่ดีรถยนต์ก็ไม่ดีครับรถยนต์ไปตำกันคนขับไม่ดีจะตก็ตำกันน่คนขับดีมันก็ไม่ตำกันดีว่าไงเล่าน่คนขับไม่ใช่รถยนต์ขับค น, คนคนขับรถยนต์มันไงมันไงนี่ของไม่ดีไม่ใช่ของรักษาคนรักษาของ รักษาของของก็ดีดิบางคนบไม่มีเงินอยากจะเอาเงินมาเป่าให้เป็นเงินก้อนผงเงินก้อนงก็ยากไร้ได้ปรญญาเอาอาไปเสียมั้ก็มีทนตะเก็บไปไหนั้นก็เป็นคนผงนะยาะไรอืมจะรวยมีแ่เอาไปทิ้งเลนะินมันมันก็มัดนแนู่ไหคนรักษาดีเงินก็อยู่นา มาล่ะรักษาไม่ดีมันก็ปริวนี้มันเสื้อผ้ามันมาอยู่น้ำคนมาไรแล้วต้องใส่กระดุมไว้มันจะปริวนี้จะคน่นนะต้นรักษาดี ม, มันกระยูน้ำมาล่ะเนี่ยละให้รูจักของดีของไม่ดีเลยเออยินได้ฟังแล้วรู้ว่าง่ายเนี่ยไงดียัง เนี่ยดีมัดเคราะมัดเขียนมันกิเลสจังไรนะใจดีแล้วภัยมันไม่มีอ ะ, พ ะ, เ, ะเพราะฉะนั้นภัยจะระงับเพราะภัยไม่มีกรรมจะระงับเพราะกรรมไม่มีอความชั่วจะระงับเพราะความชั่วไม่มีระงับความชั่วได้เพราะเราไม่มีความชั่วระงับกรรมได้เพราะเราไม่มีกรรมระงับภัยได้เพราะเราไม่มีภัยอ เนี่ยมันให้ตรไห น, นแต่ให้ดูสินี่ขอสําคัญนลอยเล่เอาอืมรับต่อมาให้ก็ได้สิเอาอะไรโอ้โหกันเทศกันธรรมเปละ่ะก็ดีแล้วกันเทศกันเรเจ้าไม่กันเฮ้ยร้องกันให้ฟังผู้ใด ท, ทําคุณงามความดีทําบุญกบุศลแล้ว เน่ยเลวกันกันทุกข์กันเนีกันกิเลสกันจังไรกันหอมกันหากันประพาายสนกันนรกกันอเวจีกันเมื่การความชั่วช้าลามกการความทุกข์กันความจนมันเป็นอย่างนี้เนาะเลวกันเนี่ยทำบุญแล้วนะการคลอกการเข็นการอุปทานเหตุทั้งหลายการความชั่วช้าลามก เร่อแล้วกแกันทำได้ยังความดีมีแล้วความชั่วหายไปหมดละประมาณมันก็มืดละเออมันมืดแล้วก็จุดไฟมืดกัไปเองนีใจเราดีล้ ว, ลวความชั่วไม่มีโอ้เฮ้ม า, มากๆเ <c oughs> มาข้งแก้วอืมข้งบนข้าแก้วรวมข้งแก้ว ค่วเงอตอนมีแต่ความพุทธความเจริญอายุวะทุกุขะพรากันนะต่อไปแต่มีกิเลสยังไลอายุหมั่นคันยืนเออหายโลกหาไปนะาใจไม่ด fi ีโกผีโกสามโอาพระภาควายชอบกพุทธโทขึ้นมาอนสระติพึ่ง ใจไม่ดีกับพุดโธขึ้นมามันขี้เกียจขี้คลานแบบพุดโทขึ้นมาอ่าพุทธโธมลูกขี้เกียจแล้วมันขยันกัน่รสิว่าไงล่าอ่าขี้เกียจดีไหมมันไม่ดีไม่ใช่หรมันไม่มีหรอกมันขยันนั่นแหละอะไรหล่กอ่าจบการแสดงธรรมของท่าน พระอาจารย์ฟั่นอาจารโรปัดป่าอุดมสมพรตอนที่สามซึ่งเป็นตอนสุดท้ายต่อไปนี้เป็นสมโมนยกถาของเจ้าพระคุณสมเด็จพระยาสังบรกล่าวปิดการบำเพ็ญจิตภาวนาพุโทโธพร้อมกับถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระสงค์สวดถวายพระพรและ สวดโวยพรแก่สาธุรชนที่มาร่วมงานจบพิธีเวลาสิบหกนาฬิกาในเวลานี้แล้วท่นานสาธุรณนทัน้งหลายได้ำรำลึก้ึง พระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระมรมบอรสพระราชฯพระาดุษฎเจ้าซึ่งไใ้ทรงปฏิบัติพระราชกิจระลียดิจิโดยทำทงเจริญพระชนมายุ คามรบสี่รอบพรรษาคือสี่สิบแปดทพันษาในวันที่ผ่านวันวามนี้เพราะฉะนั้นจึงได้ทักชวนกันกระทำกิจที่ควรกระทำต่าง ขวายพระราชจุษฎีสนขวายสับพันไทมงคนพั่วพระาาราชอาณาจโดยเฉพาะในวัพระวโรนิเวศสวิตานนี้ก็ได้มีการจัดทับขวนกัน มาปฏิบัติทำพิธภาวฑาพุทโธเป็นเวลาสาวันนั้นกล่าวเริ่มตั้งแต่เวลาเก้านาฬิกาเวลาเช้าจนถึง1ิบหกนาฬิกาเวลาเย็นและได้มีสแสดงในพัศการที่ตึกพอประรอ <c oughs> อันเป็นถือพิธภัณฑ์ของวัดโอซิเวียนนี้ แสดงพระราชเาณน า, า ก, กิยบถต่างๆที่เดชสงปฏิบัติประทำยาไม่หยุดยัง้งพุ่งเทกำลังพ้ากำลังบองวกเพื่อทรงปฏิบัติโมง่งประโยชน์อแห่งประเทศชาติประชาชนเป็นที่ตัง้ง และบัดนี้การประชุมกันปฏิบัติธรรมจิตสภาวนาพุทโธและการแสดงวิพันธการก็ยังยิ่งสมบูรลงแล้วยังขออนุโมทนาของท่นานสาธชนทันน้งหลาย ที่ได้มาร่วมการปฏิบัติผวายพระราชกุศลโดยทั่วกันและขออนุโมทนาทุกท่านผู้ช่วยขนขวายกระทำกิดต่างๆเป็นต้วนว่า จัดอาหารเจมาเลี้ยงท่านสาธุชนทุกหลายในเวลาเที่งตลอดเวลาสามวันและจัดวนควายทำจริงใจจริงหนึ่งสุบอย่างให้งานนี้ลุกล่วมไปได้โมดเรียบร้อย และอีกข้อหนึ่งอันควรที่จะกล่าวถึงไม่ได้ก็คือขอขอบพระคุณท่านพระอาจารย์วัฒอาจารย์โรซึ่งท่านได้กระ ง, งามาสแสดงอบรมแนวปฏิบัติและนำการปฏิบัติ ทำกินสภาวนาตลอดเวลาสามวันยังให้บังเกิดความลรื่อีติกินดีแกท่านสาทุคนหลายเป็นอันมากและอยางให้บังเกิดประโยชน์ทางจิตใจทางรับกปฏิบัติ 7. แกท่านสาธุคนทั้งหลายทุกๆคนดังจะคุณเห็นได้ว่าในเวลาที่ท่านมาเวลาบ่ายสองโมงพักสามบ่ก็ได้มีท่านสาธุคนทั้งหลายได้พาท่นมาวัดมาปฏิบัติเป็นอันมากเพราะฉะนั้นจึงขอขอบพระคุณ ท่านพระอาจารย์ปั้นอาจารย์ที่ได้ตั้งนามาร่วมในงานนี้ด้วยเป็นอย่างยิ่งและก็ขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ดำลึกถึงโอวัตที่ท่นานจะสาะไพ่และก็เชื่อว่าคงจะ มังเกิดความจับใจในโอวาทของท่านเป็นอันมากเพราะได้มีข้อที่สะกิดใจอยู่เพื่อทุกทุกประโยชน์ที่ท่นนทานแสานออกมาธรรมะที่ท่านแสดงนั้นเข้าถึนใจ โดยเฉพาะในข้อที่ทันให้คำนึงถึงต้นเดิมเป็นประการสำคัญเหมือนอย่างว่าในการที่ปลูกต้นไม้มุ่งผลอยากมุ่งแต่ผลโดยไม่คำนึงถึงต้น บำรงรักษาต้นให้สวัสดีนั้นไม่ได้ท่านจึงคี่เข้ามาถึงต้นเดิมคือใจอันนี้ซึ่งขอให้ปฏิบัติทำใจอันนี้ให้ดีเมื่อใจอันนี้ดีแล้วสงบแล้วความประพรุิ์ก็จะดีจะสงบเหตุกายทั้งนอกทั้งหลัง ก็จะดีจะงสงบทั่วไปและตอกจากนี้ท่าในจะให้ธรรมะทางๆาสเป็นันว่าล้วนเป็นข้อสะทิตใจนำใจให้บังเกิดความสวา่างให้บังเกิดความรื่นเดิมบันเพิงในธ <c oughs> รรมะเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้จึงขอให้เราทุกคนได้ตั้งใจ การปฏิบัติตามพิพันแนะนำสัจสอนรักษาจิตใจอันนี้นี่แหละให้สงหมีความเข้มแข็งและการปฏิบัติรริยะกูจที่ควระทำทุกยโดยไม่ย่อนพ่อโดยไม่หวั่นเพลงยึดตักอยู่ในหลักแห่งธาสุาสนาและกรรมฐานธตร โดยเฉพาะปิยโชติรัฐบดีในพระบุคแห่งชัติโดยกรมบอภิรมณราชสุนทรราวซึ่งได้นำประชาชนให้บรรลุความสวัสดีมาโดยดับดังที่ปรากฏในกรณีทั้งหลายที่ได้ตรงปฏิบัติแล้วเพราะฉะนั้นในโอกาสที่ก่อนปิดการประชุมนี้รัศดร จะได้ถวายพระวรชทยมงคนแด่สมเด็จพระรัชกาลเจ้ารองท่านสมเด็จพระนางรจ้ารำไินาพระราชโพรสพระราชธิดาและในนามพระสงฆ์ทุกทาก็ขอให้ท่านสาธุผู้ใดได้น้อกถวายพระพรชทยหมดโดยทั้งหมดดย โสอัสสะปุณณิตโถนปุณณัติสะเนอะโรยโถนปิโตโอยิสสะอัตตะ เอหิญาติปิโตอภิรหัตโนยุปิโตวิรุณค่อยุตราตเนอรนุปิโตโหหิสหสสเอหญาติสัพภูคาโนภาเมนะสัพปมานุภาเมนะสัพปาโนภาเมนะ รัตังธรรมรัตนังธรรมนังสินังรัตนังธรมอนุภาพะรัชตูราีติธรรมนุภาะเตกุภาาภาน ญาติเทเทอุนรายญาเทเทมุภัสชาววายเทเทนุนิสตาเเอรณาิยยุไวโวินวิชาโวิปิไวาโวิลโ นันลาภโสติภยานุตังภัณฑิริวอจาวั สุตตะละมังทะนังรักขันสุะเทวาจาตังพะานเวนันตาาวันตุเดต่อไปนี้พระสงฆ์จะดูดนวยพรแก่ท่านสาธุคนไขอันเป็นส่นหนึ่งของสาบันกมทัาประเทศต มความสุขสวัสดิ์ทุกประการเอาลานตาราวะตัสเอายุตกิตาโตานาเยนิตเ้าลาานกิตนาตัสเตเตาโเยานิต เอหัสหาสุขิาเวัสะสโมกุิทสะสัมเาติัตตรยานุปเวนัตนตเากโรติยาเฮราโตตตุปปัตตวาอเนกาณารายานสัโตตวา กายันติต well. ิตัณหาอรติัญโทขับังเอายุจะวันโมจ้าอกังขิตัววนสารวัตญอายุยานิวันิทิเอวสสะมลงรักขัตุาภเดวายนะนมท้าหูอาเวัสสะตวันเ อาวัตตสัม a ังการังรักโสัพเพเดวะตาสามัคคมาณุภาเวนัสดาทิปวันตุเตอาวัตตสัมังการังรัตุสัพเพเดวะตาสัคคมาณุภาเวจนาโสติอาวัตุเต